เจตุ t ะปาปธรรมสูตรว่าด้วยธรรมชั่วและธรรมดีสูตรที่สภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงบุคคลผู้มีธรรมชั่วและบุคคลผู้มีธรรมชั่วที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่วจกแสดงบุคคลผู้มีธรรมดีและบุคคลผู้มีธรรมดีที่ยิ่งกว่าบุคลบคลผู้มีธรรม ด, มดีแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังบุคคลผู้มีธรรมชั่วเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิและถึงมีมิจฉาญาณมีมิจฉาวิมุตติบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่วบุคคลผู้มีธรรมชั่วที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่วเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาทิฐิและถึงตนเองเป็นผู้มีมิจฉาญาณ และชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาญาณนะตนเองเป็นผู้มีมิจฉาวิมุตติและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาวิมุตติบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่วที่ยิ่งกว่าบุคลบคลผู้มีธรรมชั่วบุคคลผู้มีธรรมดีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิและถึงมีสัมมาญาณนะมีสัมมาวิมุตติ บุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีบุคคลผู้มีธรรมดีที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาทิฏฐิละถึงตนเองเป็นผู้มีสัมมาญาณะและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาญาณะตนเองเป็นผู้มีสัมมาวิมุตติและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาวิมุตติ บุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีจะุตุทะปาปะธรรมสูตรที่ 10, บจบส ป, ปุริสวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวรรนี้คือ 1. สิกขาปะทะสูตร 2. อาสัทธะสูตร 3. สัตตก ร, รมสูตร 4. ทัศก ร, รมสูตร 5. อาอัทังคิกะสูตร หทศสมคสูตร 7. ปฐมะปาปะธรรมสูตร 8. ทุติยะปาปะธรรมสูตร 9. ตติยปาปะธรรมสูตร 10. จเจตุทะปาปะธรรมสูตร 2. โสภณวักหมวดว่าด้วยผู้ทำบริษัทให้งาม 1. บริษาสูตรว่าด้วยบริษัทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้เป็นผู้ประทุสร้ายบริษัทบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. ภิกษุผู้ทุศีลมีทำเลสาม สองพิสูจนีผู้ทุศีลมีทำเลสามสามอุบาสกผู้ทุศีลมีทำเลสามสอุบาสิกาผู้ทุศีลมีทำเลสามพิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหลเป็นผู้ประทุสรายบริษัทภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้เป็นผู้ทำบริษัทให้งามบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือหนึ่ง ภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม 2. ภิกษุณีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม 3. อุบาสกผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม 4. อุบาสิกาผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหลเป็นผู้ทําบริษัทให้งามปริสัทสู่ที่1จบ ทิฏฐิสูตรว่าด้วยทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กายทุจริตความประพฤติชั่วด้วยกาย 2. วจีทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจา 3. มโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจ 4. มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนําไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมสีประการอะไรบ้างคือ 1. กา ย, ยสุจริตความประพฤติชอบด้วยกาย 2. วจีสุจริต ความประพฤติชอบด้วยวาจา 3. มโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจ 4. สัมมาทิทิความเห็นชอบภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทิฏฐิสูตรที่สองจบ 3. อากตัญยุตาสูตรว่าด้วยความเป็นผู้มีรู้คุณและความเป็นผู้รู้คุณภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กายทุจริต 2. อวจีทุจริต 3. มโนทุจริต 4. อากตัญยุตา อากตะเวทิตาภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนําไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมสประการอะไรบ้างคือ 1. กายสุจริต 2. องวจีสุจริต 3. ม, มนโนสุจริต 4. ก, กตัญยุตากะตะเวทิตาภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้อากตัญยุตาสูตรที่สจบ นาติปาตีสูตรว่าด้วยผู้ฆ่าสัตว์และผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสี่ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฟังไว้ทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้ลักทรัพย์ 3. เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้พูดเท็จละถึง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 ปฐมมัคคสูตรว่าด้วยมัคสูตรที่หนึ่งละถึง 1. มีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิด 2. มีมิจฉาสังกัปปะดำริผิด 3. มีมิจฉาวาจาเจรจาผิด 4. มีมิจฉากรรมมันตะกระทำผิดละถึง 1. มีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. มีสัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. มีสัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. มีสัมมากัมรมันตะประทําชอบและถึงปฐมมัคคสูตรที่หจบ 6. ทุติยมัคคสูตรว่าด้วยมัคสูตรที่สองและถึง 1. มีมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิด 2. มีมิจฉาวายามะพยายามผิด มีมิจฉาสติระลึกผิด 4. มีมิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิดละถึง 1. มีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 2. มีสัมมาวายามะพยายามชอบ 3. ม, มีสัมมาสติระลึกชอบ 4. มีสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบและถึงทุติยะมัคคสูที่6จบ เจตปฐมโวหารปะทะสูตรว่าด้วยคันลองแห่งโวหารสูตรที่หนึ่งละถึง 1. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าได้เห็น 2. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าได้ฟัง 3. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าได้ทราบ 4. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าได้รู้ละถึงหนึ่ง เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็น 2. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง 3. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบ 4. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้ละถึงปฐมวโวหารปถะสูตรที่เจ็ดจบ 8. ทุติยะววหารปถะสูตร ว่าด้วยคันลองแห่งโวหารสูตรที่สองละถึงหนึ่งเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็น 2. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟังสามเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบ 4. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้ละถึงหนึ่งเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าได้เห็น 2. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าได้ฟัง 3. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าได้ทราบ 4. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าได้รู้และถึงทุติยโวหารประถะสูตที่8จบ หิริกะสูตรว่าด้วยผู้ไม่มีหิริและผู้มีหิริละถึงหนึ่งเป็นผู้ไม่มีศรัทธาสองเป็นผู้ทุศีลสามเป็นผู้ไม่มีหิริสี่เป็นผู้ไม่มีอตตปะละถึงหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาสองเป็นผู้มีศีลสามเป็นผู้มีหิริ 4. เป็นผู้มีโอตปะและถึงอหิริกะสูตรที่9จบ 10. ทุษศีลสูตรว่าด้วยผู้ทุศีลและผู้มีศีลภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสีประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฟังไว้ทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 2. เป็นผู้ทุศีล 3. เป็นผู้เกียจคร้าน 4. เป็นผู้มีปัญญาสามละถึง 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศีล 3. เป็นผู้ปรารกความเพียร 4. เป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทุศะศีลสูตรที่10จบโซภณะวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปริษาสูตร 2. ทิฏฐิสูตร 3. อาคตัญยุตาสูตร 4. ปานาติปาตีสูตร 5. ปฐมมะคะสูตร 6. ทุติยะมะคะสูตร 7. ปฐมโวหารปรถสูตร 8. ทุติยโวหารปรถสูตร 9. อหิริกะสูตร 10. ทุษ ส, สีละสูตร 3. ทุจริตวัก หมวดว่าด้วยทุจริตและสุจริต 1. ทุจริตสูตรว่าด้วยทุจริตและสุจริตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวาจีทุจริตสี่ประการนี้วจีทุจริตสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. มุสาวาทพูดเทศจ 2. ปิสุณาวาจาผู้ส่อเสียด 3. าพรุสวาจาผู้คํหยาบ สสัมผัสปลาปะพูดเพอเจ้อภิกษุทั้งหลายวาจีสุจริตสี่ประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายวาจีสุจริตสี่ประการนี้วจีสุจริตสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. สั่จวาจาพูดจริงสองอปิสุนาวาจาพูดไม่ส่อเสียด 3. สันหวาจาพูดอ่อนหวาน 4. มีมนตะพาสา คู่ด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายว่าจีสุจริตสี่ประการนี้แหลทุจริตสูที่หนึ่งจบสองทิฏฐิสูว่าด้วยทิฏฐิภิกษุทั้งหลาย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 อากตันยุตตาสูตรว่าด้วยความเป็นผู้มีรู้คุณและความเป็นผู้รู้คุณภิกษุทั้งหลายคนพาลผู้มีเฉียบแหลมเป็นสัตว์ปรุษประกอบด้วยทาสี่ประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทําลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมากทาสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่ง กายทุจริต 2. วจีทุจริต 3. ม, มโนทุจริต 4. อะกตัญยุตาอะกตะเวทิตาละถึง 1. กายสุจริตสวจีสุจริต 3. ม, มโนสุจริต 4. กตัญยุตากตะเวทิตาละถึงอะกตัญยุตาสูตรที่สจบ ปาณาติปาตีสูตรว่าด้วยผู้ฆ่าสัตว์และผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์ละถึงหนึ่งเป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้ลักทรัพย์ 3. เป็นผู้ประพฤติผิดในก Р ารมสเป็นผู้พูดเท็จละถึงหนึ่งเป็นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์สองเป็นผู้เว้นข่าจากการลักทรัพย์ 3. เป็นผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้เว้นขาจากการพูดเท็จละถึงปาณาติปาตีสูที่สี่จบ 5. ปฐมมรคสูรว่าด้วยมรคสูที่หนึ่งละถึง 1. มีมิจฉาทิฐิ 2. มีมิจฉาสังขปะ 3. มมีมิจฉาวาจา 4. มีมิชากัมมันตะละถึง 1. มีสัมมาทิฏฐิ 2. มีสัมมาสังกัปปะ 3. ม, มีสัมมาวาจา 4. มีสัมมากัมมันตะละถึงปฐมมคคสูที่หจบ 6. ทุติยมัคคสูว่าด้วยมัคสูที่สองละถึง 1. มีมิชาอาชีวะ 2. มีมิจฉาวายามะ 3. มีมิจฉาสติ 4. มีมิจฉาสมาธิละถึง 1. มีสัมมาอาชีวะ 2. มีสัมมาวายามะ 3. ม, มีสัมมาสติ 4. มีสัมมาสมาธิละถึงทุติยมคสูที่6จบ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 เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็นสองเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟังสามเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบสี่เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้และถึงปฐมวโวหารปถทะสูตรที่เจ็ดจบ 8. ทุติยะวโวหารปะทะสูตรว่าด้วย คันลองแห่ง Hans, โวหารสูตรที่สองละถึงหนึ่งเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็นสองเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟังสเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบสเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้ละถึงหนึ่งเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าได้เห็น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 ๙อาหิริกะสูตรว่าด้วยผู้ไม่มีหิริและผู้มีหิริละถึง1เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 2. เป็นผู้ทุศีล 3. เป็นผู้ไม่มีหิริ 4. เป็นผู้ไม่มีโอตปะละถึง 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศีล 3. เป็นผู้มีหิริ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 ทุปัญญสูตรที่10จบ 11. กวิสูตรว่าด้วยกวีภิกษุทั้งหลายกวีสีจำพวกนี้กวีสีจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งจินตากวี 2. สุตตะกวี 3. อัฐะกวี 4. ปฏิภานกวีภิกษุทั้งหลายกวีสี่จำพวกนี้แหลกวิสูตรที่11อจบทุจริตวักที่สจบรวมพระสูที่มีในวักนี้คือ 1. ทุจริตสูตร 2. ทิฏฐิสูตร 3. อากตัญยุตาสูตร 4. ปาณาติปาตีสูตร 5. ปฐมมัคคสูตร 6. ทุติยะมัคคสูตร 7. ปฐมโวโหหารประถะสูตร 8. ทุติยโวหารประถะสูตร 9. อหิริกะสูตร 10. ทุปัญญสูตร 11. กวิสูตร กรรมมวักหมวดว่าด้วยกรรมหนึ่งสังขิตสูตรว่าเรือกรรมและวิบากแห่งกรรมโดยย่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกรรมสี่ประการนี้เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามกรรมสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งกรรมดำมีวิบากดำ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 2. วิถารสูตรว่าดืวอก ร, รมและวิบากแห่งก ร, รมโดยพิสดารภิกษุทั้งหลายกรสี่ประการนี้เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามกรสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กรรมกำดำมีวิบากดำ 2. กรรมขาวมีวิบากขาว 3. กรรมทั้งดำและขาว มีวิบากทั้งดำและขาว 4. กรรมทั้งไม่ดำและไม่ขาวมีวิปากทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกรรมดำมีวิปากดำเป็นอย่างไรคือ <c ười> บุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนปรุงแต่งวัตีสังขารที่มีความเบียดเบียนและปรุงแต่งมโนสังขารที่มีความเบียดเบียน เขาครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนผัสสะที่มีความเบียดเบียนย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนนั้นเขาถูกผัสสะที่มีความเบียดเบียนกระทบเข้าย่อมสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียนเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวเหมือนพวกสัตว์นรกนี้เรียกว่ากรำดำมีวิบากดำกรำขาวมีวิบากขาวเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนปรุงแต่งวจีสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนและปรุงแต่งมโนสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนเขาครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนผัสสะที่ไม่มีความเบียดเบียนย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนนั้น เขาถูกผัสสะที่ไม่มีความเบียดเบียนกระทบเข้าย่อมเสวยเวทนาที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขโดยส่วนเดียวเหมือนพวกเทวดาชั้นสุภคินหะนี่เรียกว่ากมขาวมีวิบากขาวกาทั้งดำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้าง ปรุงแต่งวจีสังขารที hi hi be ang, олн, ่ม be be be ีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างและปรุงแต่งมโนสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างเขาครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้าง เขาถูกผัรษะที่มีความเบเียดเบียนบ้างไม่มีความเบเียดเบียนบ้างกระทบเขา้าย่อมสวยเวทนาที่มีความเบเียดเบียนบ้างไม่มีความเบเียดเบียนบ้างมีสุขและทุกข์รกรกันเหมือนมนุษย์เทวดาบางพวกและวินิปาติกะบางพวกนี้เรียกว่ากรรมทั้งดำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาวกรรมทั้งไม่ดำและไม่ขาว มีวิบากทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นอย่างไรคือบรรดากรรมเหล่านั้นเจตนาเพื่อละกรรมดำที่มีวิบากดําเจตนาเพื่อละกรรมขาวที่มีวิบากขาวและเจตนาเพื่อละกรรมทั้งดําและขาวที่มีวิบากทั้งดําและขาวนี้เรียกว่ากรรมทั้งไม่ดําและไม่ขาวมีวิบากทั้งไม่ดาและไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมภิกษุทั้งหลายกรรมสี่ประการนี้แหลเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่ดรู้ตามวิถารสูตรที่สองจบ3 โสณกายณะสูตรว่าด้วยมานพชื่อโสณกายณะครั้งนั้นแลพราหมชื่อสิกขาโมคลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญหลายวันมาแล้ว โซนกายนมามนพไปหาข้าพเจ้าถึงที่อยู่ได้กล่าวว่าพระสมณะโคโดมทรงบัญญัติกรรมทั้งปวงว่าเป็นอกิริยาก็เมื่อบัญญัติกรรมทั้งปวงว่าเป็นอกิริยาชื่อว่ากล่าวความขาดศูนย์แห่งโลกข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญโลกนี้มีกรรมเป็นสภาพดำรงอยู่ได้ด้วยการก่อกรรมมิใช่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 ย่อมเข้าถึงโลกที่มีความบเบียดเบียนผัสสะที่มีความบเบียดเบียนย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกที่มีความบเบียดเบียนนั้นเขาถูกผัสสะที่มีความบเบียดเบียนกระทบเข้าย่อมเสวยเวทนาที่มีความบเบียดเบียนเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวเหมือนพวกสัตว์นรกนี้เรียกว่ากรรมดำมีวิบากระดำกรรมขาวมีวิบากขาวเป็นอย่างไร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 ผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างเขาถูกภัษะที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างกระทบเข้าย่อมเสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างมีสุขและทุกข์ระคนกันเหมือนมนุษย์เทวดาบางพวกและวินิปาติกะบางพวกนี้เรียกว่ากรรมทั้งดำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาว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 มีวิบากทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมพราหม์กรรมสี่ประการนี้แหลเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามโซนกายณะสูตรที่สจบ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 กรรมทั้งดำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาว 4. กรรมทั้งไม่ดำและไม่ขาวมีวิบากทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกรรมดามีวิบากดำเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นผู้ลักทรัพย์เป็นผู้ประพฤิผิดในการมเป็นผู้พูดเท็จเป็นผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัย อันเป็นเหตุแห่งความประมาทนี้เรียกว่ากรมดำมีวิบากดำกามขาวมีวิบากขาวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในกลามเป็นผู้เว้นขาจากการพูดเ ท, ท็จเป็นผู้เว้นขาจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัย มันเป็นเหตุแห่งความประมาทนี้เรียกว่ากรรมขาวมีวิบากขาวกรรมทั้งดํำและขาวมีวิบากทั้งดํำและขาวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างละถึงนี้เรียกว่ากรรมทั้งดําและขาวมีวิบากทั้งดํำและขาว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 เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามปฐมมะสิกขาปะทัสูที่สี่จบ